บันทึกที่สามเณวสัญญานาสัญญายตนะใช้ทำวิปัสนาไม่ได้ในที่นี้ท่านมีเครื่องหมายคําถามไว้นะครับเนวสัญญานาสัญญายตนะและสัญญาเวทายตานิโรธจัดได้ว่าเป็นสมาบัติจําพวกเสวยผลมิใช่ประเภทสําหรับใช้ทำกิจสมาบัติที่ต่ํากว่านั้น คือตั้งแต่อากินจัญญายตนะลงไปจึงจะใช้ได้ทั้งสาหรับสวยผลและสำหรับทากิจทั้งนี้เพราะยังมีสัญญาและธรรมะอื่นๆที่ประกอบร่วมอยู่ชัดเจนพอดังที่ท่านเรียกอากินจัญญายตนะว่าเป็นยอดแห่งสัญญาสมาบัติคือเป็นสมาบัติชั้นสูงสุดที่ยังมีสัญญาหรือบางทีเรียกว่าสัญญคะแปลว่า ยอดแห่งสัญญาหรือสัญญาอย่างยอดเราเป็นสมบัติโลกีชั้นสูงสุดที่ใช้ทากิจได้เนวะสัญญานาสัญญายตนะเป็นภาวะที่ละเอียดเกินไปจนเรียกว่ามีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ดังที่กล่าวผ่านมาแล้วและได้ชื่ออีกอย่างหนึ่งว่าสังขาราวะเสสะสมาบัต แปลว่าสมาบัติที่มีสังขารสักว่าเหลืออยู่หรือเรียกอย่างง่ายๆว่าสมาบัติเศษสังขารเพราะมีสังขารซึ่งอยู่ในภาวะละเอียดเป็นที่สุดตามปกติถือว่าไม่ชัดพอหรือไม่หยาพอที่จะใช้ทากิจของวิปัสสนาไม่ต้องพูดถึงอยู่ในสมาบัติแม้ออกมาจากสมาบัตินั้นแล้ว จะกลับยกเอาองค์ธรรมต่างๆที่มีในสมาบัตินี้ขึ้นมาพิจารณาก็แทบไม่มีผู้ใดทำได้เว้นแต่ผู้มีปัญญาอย่างพระสารีบุตรขึ้นไปและแม้แต่พระสารีบุตรเองก็พิจารณาได้เพียงแบบเหมารวมหรือรวบเป็นกลุ่มอย่างที่เรียกว่ากลาปะวิปัสนาอย่างเดียวมีแต่พระพุทธเจ้าทั้งหลายเท่านั้นที่จะกาหนดองค์ธรรม แยกออกพิจารณาเป็นรายข้อตามลําดับคือธรรมนุปทาธรรมวิปัสนาได้แม้ว่าโดยหลักการทั่วไปท่านมักกล่าวคลุมคลุมรวมรวมกันไปว่าสมาบัติทั้ง8หรือรูปฌานสี่และอรูปฌานสี่เป็นบาตแห่งวิปัสนาได้ทั้งหมดเป็นบาตแห่งผลสมาบัติได้ทั้งหมดและวรวมกันหมดทุกข้อ รวมเป็นบาทของนิโรธสมาบัติแต่ภาวะที่เนวสัญญานาสัญญายตนะเป็นบาทหาเหมือนกับเอาชานสมาบัติข้ออื่นๆเป็นบาทไม่คือไม่ใช่เป็นตัวทรรมกิจแท้จริงที่กล่าวนี้เห็นได้ชัดในการเข้านิโรธสมาบัติท่านชี้แจงให้เห็นว่าสมาบัติที่เป็นขั้นทำการก็คืออากินจัญญายตนะ ส่วนเนวะสัญญานาสัญญายตนะแม้จะเป็นขั้นตอนที่จำเป็นแต่ก็มีสภาพคล้ายเป็นทางผ่านเท่านั้นผู้ใดจะเข้านิโรธสมาบัติแม้เข้าสมาบัติผ่านมาโดยลำดับจนถึงเนวะสัญญาณาสัญญายัตนะแล้วแต่ในตอนที่ผ่านจากอากินจัญญายัตนะก่อนจะเข้าเนวะสัญญานาสัญญายตนะไม่ได้ทาบุพภกิจคือไม่ได้เตรียมจิตให้พร้อมที่จะเข้านิโรธไว ก็ไม่อาจเข้านิโรธสมาบัติได้และเมื่อเข้านิโรธไม่สําเร็จก็ต้องถอยกลับไปอยู่ในอากินจัญญายตนะมิใช่คงอยู่ในเนวะสัญญานาสัญญายตนะเหตุผลเหล่านี้พอให้ลงสันนิฐานได้ว่าเนวะสัญญานาสัญญายตนะสมาบัติเป็นภาวะจำเพาะตัวเป็นจุดจำเพาะแห่งการสวยผลของมันเองล้วนเมื่อออกจากสมาบัตินี้ ก็เป็นการออกมาเลยพูดโดยนิปริยายว่าไม่มีภาวะจิตสืบเนื่องในระดับนี้ในการเจริญวิปัสนาเมื่อออกจากเนวัสัญญาณสัญญาญตนะมาพิจารณาสังขารธรรมก็ไม่ใช่ออกเพียงเพื่อเปลี่ยนอารมณ์เหมือนอย่างออกจากฌานสมาบัติข้ออื่นความจริงเนวัสัญญาณสัญญาญตนะสมาบัติ ไม่มีอารมณ์ของมันเองด้วยซ้ำคนที่จะเข้าสมาบัติข้อนี้กำหนดเอาอากินจัญญายตนะนั่นเองเป็นอารมณ์เพื่อจะก้าวล่วงไปเสียเมื่อก้าวล่วงคือปล่อยหรือผลักจากอารมณ์นั้นได้จึงเข้าสู่ภาวะที่เรียกว่าเป็นเนวสัญญานาสัญญาัตนะสมาบาัตินี้เมื่อออกจากเนวสัญญาณาสัญญาัตนะ มาพิจารณาสังขารธรรมก็ไม่ใช่ออกเพียงเพื่อเปลี่ยนอารมณ์เหมือนอย่างออกจากฌานสมาบัติข้ออื่นแต่เป็นการออกมาสู่ภาวะจิตในระดับของสมาบัติที่รองลงมาคืออากินจัญ ญ, ญายะตนะจึงนับว่าเป็นการออกจากสมาบัติชนิดที่มีความหมายครบถ้วนทั้งโดยปริยายและโดยนิปริยายํำนวนพระสูตรจึงบรรยายความตอนนี้ว่า ออกจากเนวาสัญญานาสัญญายตนาสมาบัตินั้นแล้วพิจารณาสังขารธรรมทั้งหลายแม้ว่าโดยหลักการทั่วไปอาจพูดได้ว่าทำเนวาสัญญานาสัญญายตนาให้เป็นบาทของวิปัสนาแต่ความจริงคาที่กล่าวจำเพาะเจาะจงลงไปอย่างนี้ยังไม่พบเลยคำว่าเป็นบาทในที่นี้ก็จะมีความหมายเพียงว่า ได้ผ่านการเข้าเนวาสัญญาณาสัญญายัตนะออกมาแล้วซึ่งก็ย่อมจะช่วยทำให้จิตปราณีตสนิทมากขึ้นอีกแต่ก็จะต้องถือว่าภาวะจิตที่ใช้เจริญวิปัสสนาเวลานั้นเป็นอัปปนาสมาธิระดับอากินจัญญายตนะอยู่นั่นเองพึงระลึกไว้ด้วยว่า สมาธิในอรูปฌานทั้งหมดล้วนเป็นระดับจตุถัาฌานทั้งสิ้นมีข้อพิเศษเพียงว่าเป็นภาวะที่ประณีตห่างไกลาจากปัญจนีกธรรมคือสิ่งรบกวนออกไปมากขึ้นเท่านั้นส่วนสัญญาเวทายตานิโรธเป็นข้อที่ชัดเจนอยู่แล้วว่าเป็นสมาบัติสำหรับสวยผลแท้ และไม่อา จ, จเจริญวิปัสนาภายในสมาบัติได้เพราะไม่มีสัญญาและเวทนารวมทั้งขันอื่นอื่นอันประกอบร่วมที่จะใช้กําหนดพิจารณาได้ยิ่งกว่านั้นยังมีภาวะพิเศษจากฌานสมาบัติอื่นๆทั้งหมดคือเป็นแต่สมาบัติอย่างเดียวไม่เป็นสมาธิจึงเป็นการแน่นอนว่าต้องออกจากสมาบัติก่อนจึงจเจริญวิปัสนาได้ เมื่อออกจากสมาบัตินี้แล้วจะเจริญวิปัสสนาก็ควรจะมาอยู่ในภาวะจิตที่เป็นสมาธิในระดับสูงสุดที่จะใช้ทากิจได้กล่าวคืออากินจัญญายตนะหรือจะลงไปใช้ภาวะจิตระดับต่าลงไปแม้จนถึงคณิกาสมาธิซึ่งไม่ใช้กำลังฌานสมาบัติเลยก็ยอมได้เพราะผู้ที่ได้สมาบัติที่สูงกว่า ยอมมีสิทธิ์ในสมาบัติที่ต่ำลงมากกว่านั้นเป็นธรรมดาอย่างไรก็ตามแม้ว่าสมาบัติสูงสุดข้อนี้จะใช้เจริญวิปัสสนาเองโดยตรงไม่ได้แต่การเข้าสมาบัตินี้ก็ยอมช่วยเสริมคุณสมบัติของจิตให้ประีตเสนทยิ่งขึ้นมีผลดีต่อการปฏิบัติธรรมเป็นอันมากดังได้กล่าวไว้แล้วในตัวบทข้างตน้น